นะแต่จุดที่น่าสนใจก็ก็ศึกษาแต่จริงๆเนื้อแท้มันก็คืนคืนสู่ความว่างคือคือไม่มีภาษาเนยนะครับแต่ว่าไอ้บางส่วนที่ว่าเป็นไวยใช้งานก็ก็ดูไปครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ศึกษาทางวัชรยาวัชยามายานก็เจออาอจาร เขาให้หนักเรียนมาก็ได้อานแค่นั้นพ่อได้เล่นซกเชนอ๋อครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่ยได้ศึกษาคือเหมือนว่ามามาเจอครูบาอาารยเหมือนว่าเป็นบอกนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันเหมือนมีฟูมิเดิมนะครับแล้วก็ฟังแค่นิดหนึ่งปุ๊บเราก็รู้เหมือนว่ากนจิตข้างในมันบอกมาเองนะครับว่าส่วนใหญ่มหายาณคือแต่เดิมทัศน์ทัศนน์พุทธคือ ไถรว่างแหละครับคือให้ว่างที่จบตัวเฉพาะตัวแต่มหายานจะมีเพิ่มคือการแผ่การแบ่งบุตรสการเน้นการการทำมหาเป็นเดินเป็นมาเป็นมหาเมตตามหาโากลณาเป็นอัปสูปโพธิสัตว์คือการแบ่งปันความว่างให้กับสรรพสิ่งนะครับซึ่งซึ่งแต่เดิมผมก็เคยปฏิบัติของของไถ ว, ว่าจะเข้าป่า ตัวผีตัวตุ๊กแกตัวอะไรเนี่ยเราก็ไปจับตุกแกเลยตัวผีก็ไปเข้าป่าให้อยากเจอผีตัวคุณใสเราไปจ้างหมอผีที่สุรินจ้างใสเลยวะว่าอยากรู้ว่าไอ้คนโดนของเป็นยังไงครับแต่เขาัขวตายไม่ให้เขาคือเข้าป่าที่ไหนมีคนเป็นใชคป่าก็จะไปเข้าป่าที่ว่าเขามีเราอยากเป็นไคป่าดูว่าขันเราอย่าพอสอบดูว่าไหวไหมคนก็ไคป่าแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่า เหมือนเหมือนเขาคงไม่อยากให้เราลำบากทำก็เลยเลยไปตรงนั้นแต่สุดท้ายมันก็เป็นการแค่ว่าตัวเราเข้าไปลำบากแต่ติดมึงก็แกะครามมาจากเทรวาดครับก็สูตต่างตาครับ เราหลังไปอ่านครับทางมหาญาณทางเซนทางอะไรอะไรเช่นเดิมันก็เป้าหมายเดียวกันแต่วิธีการเข้าสู่สิ่เดียวกันครับแต่คือวิธีการนะแต่แต่ถ้าเป็นวัชรยานมันจะตรงกันข้ามกันคือทิ้งทิ้งทุกวิธีทางทุกรูปแบบทุกความรู้ทุกความหมาครับแล้วก็เน้น ตัดตัดโดยชับพันนะครับตัดโดยชับพันนะครับก็ไอ้ความรูปการนาฏศิลป์ตะวันอ๋อครับอันนั้นถ้าจะเป็นแนวทิเบตก็จะเน้นพิธีการรูปแบบ<ะ>ครับพอสวนเยอะมาเยอะมาแล้ ว, ลวมีการาบเยอะมาอันนั้นคืติดที่ว่าเป็นพิธีการ แต่ถ้าถ้าวัชรยานจริงๆอ่ะคือปุ๊บคือความเร็วคือคือเทสสายฟ้าฟ า, าคือปุ1 1> ป๊บชนะหนึ่งปุ๊บหนึ่งปัจจุบันเนี่ยครับมันจะเป็นอดีตชั่วโมงที่แล้วนาทีที่แล้ววันที่แล้วแค่ปุป๊บเนี่ยปัจจุบันมันมีแค่แค่สั้นมากจริงๆแทบจะไม่มีอนาคตก็ไม่มีปัจจุบันปุ๊บเป็นอดีตอดีตกลายปเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีจริงก็คือไอ้ตรงเนี้ยคือวัชรยานเป็นช่องว่างเขสอนไหม อันซอมไม่เหมือนกันครับแต่แต่บางสายจะเน้นพิธีการก็คือศรัทธาศรัทธานำ อ, อ๋ออาจารย์พักโชค่แีแนวตันตระสันตะแล้วก็มีอีกหลายเยอะมากๆเลยครับซึ่งสุดท้ายเราเหมือนเหมือนเหมือนผมไปเจอที่ว่าต้องฉับพันอะคือต้องทิ้งรูปรูปแบบทิ้งให้ทั้งตัวทั้งความรู้ปุบ๊บแล้วเข้าเข้าสู่ไรความหมายอันเดียวถ้าช้าก็คือมันจะติดที่ว่า กอนูใสหรือความเชื่อความรู้ความเห็นความหมายนี้ของเรามันกลับกลายเป็นตัวตั ว, ตวทวงนะครับยิ่งเราใช้ใช้ความเห็นด้วยปุ๊มันก็จะอยู่ในภาวะ น, นั้นเลยมันไม่หลุดพ้นออกไปจากโคนจรเนี่ยครับใลยเชื่ออะไรกับตัวเองไม่ได้เลยต้องฉับพลัน <c oughs> ต้นตรานี้ก็เมือน อยู่กับเราค่ะไม่ได้หนีโลกไม่ได้หนีโลกแต่ที่เหมือนมันพอเราเข้าไปภาวะจริงๆตรงเนี้ยหมายว่าจริงๆก็ไม่ใช่หนีแล้วก็ไม่ได้สู้ไม่หนีไปตปฏิเสธแล้วก็ไม่ไหลไม่ไหลตามเพราะว่ามันไอตัวจิตนะครับถ้าไปเปรี๊บปุ๊บมันก็ต้องรู้ปุ๊บถ้าเราเรารู้ปุ๊บจะเป็นอุปทานทันทีแต่ถ้ารู้แบบไม่อะไรกับอะไร มันก็จะรู้ตรงนี้จะ เ, เป็นวิมุติทันทีก็คือพานครับแต่ถ้าถ้าเราปุ๊บรู้ด้วยความเคยชินเราต้องยึดทุกทีครับว่าไอ้ตัวเราใจเราจิตเราไงครับ <c oughs> มันก็เลยความเคยชินอนุใสตั้งแต่เกิดมาแล้วครับที น, นี้ไอ้ที่ที่เหมือนอย่างที่ผมคุยในเว็บมาครับส่วนมาให้ออกจากบอปทานโอปทานก็คือใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงรู้ไม่รู้ มันมีสองฝั่งถ้าเราไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ปุ๊บมันก็ต้องมีไไม่ใช่ฮันทีรู้ก็ต้องไปรู้คือสุดท้ายมันต้องอยู่ระหว่างสองอันที่เราไม่มีฝั่งแต่เรารู้เราไม่ไหลาตามและไม่ปฏิเสธไปอยู่ได้กลัวครับมันก็เลยจะเป็นไงว่าสักคำว่ารู้สักว่าเห็นสักคำว่าอะไรรู้ที่ว่าเราไม่มีฝั่งนะครับมันก็เลยผ่านผ่านผ่านตลอดทุกอย่างก็อันจังนะครับมันก็ปุ๊บ เราไม่ต้องไปแก้ไขหรือทําอะไรมันก็เวลามันก็นกินตนัวมันเองปุ๊บหายไปเขาใช้การพิจารณาใจรักไหมมีผู้ถึง อ, อย่างนี้พูดครับครับแต่ส่วนส่วนใหญ่ช่วงแรกๆจะจะดูไตรักแต่ต่อไปก็จะไม่ดูเพราะว่าสิ่งที่เกิดและสิ่งที่ดับเรายังเห็นว่าสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่ดับยังมีผู้เห็นอยู่เราเลยรู้อันดับก็ยังมีเป็นธรรมคู่อยู่เกิดและดับฉะนั้นต้อง เห็นทั้งคู่่ะครับก็มันไม่ใช่เราคือทั้งเกิดและดับมันก็จะกลายเป็นภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับอาจารย์ได้เคยฟังของคอง อ, งอ๋ออ่เคยนิดเดียวมากครับนิดเดียวตร <c oughs> งคอง ส่วนส่วนใหญ่เหมือนว่าไม่ใช้การปฏิบัติโดยโดยโดยส่วนตัวไม่ได้ได้อ่านหนังสือเลยครับแล้วก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงแล้วมันพอมันถึงภาวะปุ๊มันก็จะหมดคําพูดมันเหมือนว่ามันไม่มีอตัวบรรยายที่จะมาพูดได้ะครับก็เลยแตอย่อยู่ภาวะกลายเป็นเน้นเน้นพวกพดังที่ว่าเหมือนเป็นสุญญตากลายเป็นว่าเรา มือนกลายเป็นมหายานในตัวคือไปที่ไหนก็คือการแห่แผ่พลังให้แล้วพบภูมิต่างๆเหมือนเหมือนเขาก็จะมานิมนต์อย่างไต้หวันเนี้ครับก็มานิมนต์ไปเดือนหนึ่งลแล้วจ่ายค่าโรงแรมไปที่เบสไปเนปาลไปพ ม, ม่าไปเวียดนามไปเกือบเจ็แปดประเทศนะครับเลยยุติว่าไม่ต้องไปเทศจะใช้สื่อว่าไลฟ์มรมไล้์ภาษาไปเป็นโยมคนไทยเป็นคนไทยด้วยคนต่างประเทศด้วยครับ าษไม่ได้เลยครับเน้นคือไปถึงปุ๊บพูดไม่ได้ครับแต่ว่าให้เป็นโปรดเหมือนว่าไปไม่มีภาษาเลยครับลุงเป็นลุงพ่อชานะภาษาอังกิษไม่ได้คาษาอังคนหลังเลยนครับแลไปไปไต้หวันหนึ่งเดือนก็เขาก็ให้ไปเป็นภูเขาที่ว่ามีมีแต่หงจุ้ยอครับพวกเอของคนตายแล้วก็ สถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเขามีญาณพวกประเภทที่ว่าเห็นอะไรเนี่ยคือเราหน้าที่ไปเดินๆแล้วเขาก็บอกเห็นมันเปลี่ยนภูมเป็นอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรนะครับโดยเฉ่าะว่าจากการที่ว่าคิตเราให้ตลอดน้อมน้อมคือความสว่างให้ะครับให้ทุกดวงจิตดวงวิญาณมันก็เลยบอกว่าจากการที่เราทําโดยเป็นวสีจากเดิมมีความคิดเข้ามาปุบ๊บเราไม่ให้ ไม่ให้พื้นที่ตรงนี้ว่างเลยคือเรากำลป็นการให้แผน ว, วัตทุกโยงจิตทุโยมย่างอีส่วน <S <S แผ่นไม่ตาิดตัวเพรามีตัวสิ่งใดขึ้นมาปุ๊บเราก็ให้ให้ให้จนเป็นว่าสีจนจนมันว่างของมันเองอคือไม่มีจิตมันรู้ว่าไอ้นี้สมมุติมันก็ไม่เอาะมันก็ทํางานของมันเองกลายเป็นว่าเราไม่ปิดซ้อนน่ะถ้าเราซ้อนปุ๊บมันก็ยังเราสั่งจิตเหมือนสะกดจิตแต่มันก็จะไม่ใช่เดิมแท้เพราะมีแต่เราไปคนน้ําไม่วนแต่เราก็จะเห็นสภาวะวนวนๆน เราเห็นเราม่สมาธิก็ เ, เห็นเราเราไปทําสมาธิเราตั้งตั้งสิ่งใดมันจะเห็นเป็นสิ่งนัง้นแต่ถ้าเห็นบุ๊บจริงๆมันเราไม่ต้องทําอะไรเราเห็นปัจจุกเห็นเห็นภาวะจริงๆครับแล้วมันจะจัมั น, จ ะ, ม น, จ, ะมนจะเข้าจัดเกียร์ขึ้นนะครับภวะขึ้นไม่สอนนะครับ ถ, ถ้าถ้าสอนปุ๊บมันก็ยังเป็นเราทํา อย่างเราเห็นสิ่งหนึ่งปุ๊บมันก็เห็นเกิดกับดับเกิดกับดับแล้วยังเรายัางรู้ความหมายว่าเกิดนี้ดับมันก็ยังมีมีเราอยู่ครับสุดท้ายก็ต้องทิงทังสองคําพูณไม่ใช่ที่ใช่และไม่ใช่สิ่งไม่จริงคือทุกๆุ ก, กสองฝั่งนี้เราก็ต้องเห็นเฉยๆครับจะไม่ไปร่วมด้วยครับก็คล้ายๆของพ่ครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับพ่อครับน่าจะเป็นพ่อหมอเที่ยวกันแลครับ<อ> <c oughs> ใจันเน้นแเมตตาเพราะว่าแผ่เมตตาเหมือนเป็นแผ่พลังงานแต่ว่าจากเดิมเราไม่ให้จิดเราฟุ้งซ่านนะครับเป็นการเหมือนว่าเป็นมหา ย, ยานคือให้อาจารย์เน้นที่ตัวว่างมันเน้นเน้นที่ว่าไม่มีภาษาเล ย, ค, ย, ยคือควตวอในในความว่า ง, งเพราะว่าว่างก็ยังเห็นว่าว่าง ถ้าว่างจริงๆมันบอกไม่ได้เลยว่าว่างไม่มีภาษาพูดแต่ถ้าว่างเรายังปรุงแต่งว่าคิดไม่เป็นตัวสังหารว่าจาความหมายมีสัญญาณโปร่งว่าว่างเห็นเนื้อบุคมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรทั้งมันไปละแล้วปุ๊บภาวะนี้ปุ๊บมันจะฟางไก่ไปเรื่อยๆปิดมันจะคืนสู่ภาวะเดิมอะคือเดิมเราโดนข้อจํากัดความรู้ความความหมายแล้วว่ายึดสิ่งนั้นมันก็เลยบีบตัวลง เอ็นสภาวะพุทธะเขาเนี่ยมันหมายถึงการดำรงอยู่ยังไงสภาวะี่เรลวาพุทธะของมหายายเขาหมายถึงการดำรงอยู่ยังไงการดำรงอยู่ก็คือไม่มีผู้ดำรงอะคือทั้งสองทั้งเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีไม่มีคือเราก็คือพุทธะทุกอย่างคือพุทธะหมด ท้องฟ้าก็คือพุทธะแต่เมื่อไใดที่ว่ามีสิ่งที่จอนมาเราเรามักจะเห็นสิ่งนั้นเป็นเราทีนี้เราลืมพุทธะคือความว่างไปแล้วทีนี้ปุ๊บก็ต้องต้องเหมือนว่าอยึดมั่นในตัวเนี้ยว่าไม่คือยืนยันตลอดว่าเราคือพุทธะแต่ถ้ามีตัวจอนเข้ามาคนส่วนใหญ่ก็จะหลงไปในภาวะนั้นอันนัครับก็คือพุทธะหมดทั้งสิ่งที่จอนมาแล้วก็ อันนี้ก็คือคือสิ่งเดียวกันองเห็นแล้วว่าเรามีเป้าหมายการดำรงอยู่ด้วยอริยมรรคเนี่ยแตบหมายถึงการงานในยุทธศจจตรวันวันจะคิดจะพูดจะทำแต่ก็ดำรงอยู่บนพื้นฐานของสมาสิทธิใช่ไหมในขณะที่เราคิดเราพูดเราทำอะไร เะเห็นสัจจะด้วยนะ ค, ครับมันเป็นอันเดียวกันหรืกับการนำรวมอยู่อย่างพุท ธ, ธของมหาญาติผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งเดียว น, นะมรคคือถ้ า, ถ, าถ้าทางมหายานมรคเขาจะไม่มีมรคองแปดเพราะว่าผู้เดินไ ม, ไม่มีแล้ว เ, ออเพราะนี้นเหมือนแบบว่าจะมีมจะมีผู้เดินเพื่อ มีผู้เดินและผู้จบแล้วก็เส้นทางคือมันจะมีการขยายไปเรื่อยไปนู่นนี่นั่นมันก็เลยทำให้คนหลงไปสู่ภาวะต่างต่างต่อซึ่งซึ่งทางทางนี้คือก็หมดแล้วทางผู้เดินทางและทางก็คื อ, อยายก็จะไม่เน้นไม่เน้นครับเพราะว่าถ้ามีทางปุ๊บ ก, ก็เหมือ น, นมีเส้นทางๆๆครั บ, รบแล้วก็จะมีกุสโลบายมีคนยุคต่อไปก็จะสร้า ง, ส ร, างสร้างสิ่งต่างต่างขึ้นมาแล้วก็ไปลงการกระท ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายทางก็เยอะมากมายแล้วก็เหมืนเข้าสู่จิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าลงไปไกลแล้วครับที่อาจารย์ปฏิบัติมาอาจารย์ช้ยกุบายอะไรกนการเข้าสู่จิตเดิมครับจากตอนแรกๆช่วงแรกๆตรงพรรษาแรกๆใช้มีตัวรู้อยู่ที่หน้าอกเนี่ยครับแล้วก็เห็ น, ใในกายเห็นจิตทํางานแต่สุดท้ายมันมันเป็นการบังคับเรายังไม่ไม่ใช่ เหมือิไม่ใช่ธรรมชาติทีนี้พอปล่อยทุกอย่างเลยเราเห็นจริงๆปุ๊บโดยที่ว่าเราไม่บังคับเราจะเห็นภาวะทั้งทั้งนอกและในแต่ถ้าทั้งนอกและในเราจะคือไม่มีการสั่งจิตนะครับเราจะรู้ด้วยว่าจิตมันจะคลายด้วยตัวมันเองเหมือนอ น, นิจจังเนี่ยครับปุ๊บแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราจะไปเห็นอ น, นิจจังแต่จริงๆอ น, นิจจังอน่ยมันมีตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างโยงอย่าง เน่อย่างหัวเลาะปุ๊บมันก็แป๊บเดียวมันก็ต้องหายเองโกรธเองหายเองโกรธใจเท่นเองแก่เองทั้งหมดย่อยอาหารเองุธรรมชาติทุกอย่างมันมันเองแต่ที่นี้มีไอตัวที่ว่าความรู้ความเห็นความหมายของเราเนี่ยมันเยอะมากมันตายที่ตายไปแล้วความคิดเนี่ยมันยังตามมันยังสู่พบชาตุต่อไปเรื่อยๆอันนี้คืออุปทานมันมันเลาะสเปตัว้มันก็เลยเหมือนว่า ที่เราอยู่ยากอยู่ลําบากของความรู้ความเห็นความหมายที่เราใส่ใครไปไปถึงถูกหรือผิดมันก็เป็นประทานไปแล้วฉะนั้นเราต้องคลายออกจากสิ่งที่ว่าเรายา้ำใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเนี่ยเอาเราไม่ต้องฟันทงสิ่งใดเลยเห็น บ, บมันก็คือจริงเห็นสิ่งนั้นอาจารย์จะบอกว่าคิดให้น้อยที่สุดใช่คิดให้น้อยที่สุดใช้ใช้สมองให้น้อยครับแล้วมันจะจะเห็นภาวะจริงๆไม่มีเราซ้อนเข้าไป เมื่อไหรที่เราซ้อนไปนี่คือเราจะหลงในหลงไปในสังขารแล้วว่าเป็นเป็นทำปรุงแต่งหรือจะเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็มันก็ยังยังคือตัวสังขารจะมากหรือน้อยมันก็คือสังขารเนี่ยนะครับก็เลยอยู่ด้วยสังขารน้อยที่สุดทเห็ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วจะเรียกจิตจิตเดิมแทงก็ได้ครับที่ว่าไม่ต้องไปปรุงมันก็จะหมดภาษาหมดภาษาก็เหมือนว่าเอาใจจิตเนี่ยใช้แค่เป็นสื่อ อาจารย์ใช้วิธีกลับเข้ามาดูภายในเข้า ม, มองดูชำ เ, เลืงไม่เลยครับเพราะทุกครั้งที่เข้ามาดูมันจะมีตัวตัวเข้ามาดูปล่อยปุ๊บคือหมายว่าปล่อยขายให้มาคือจะมีทุกอย่างมีมันจะเข้ามาดูก็ของมันเองแต่แต่เราก็จะไม่ไหลาตามแล้วไม่ปฏิเสธอย่างว่าเราะหรือกินของอร่อยเนี่ยสุขความสุขบางคนตัวว่าจะติดสุขแต่สุคมันก็ไม่ติดนะเขาว่าเรา มีความสุขก็แป๊บเดียวขนาดหนึ่งก็หายไปยังกินข้าวมันไก่เราว่าอร่อยกินจานแรกอะอร่อยมากจานที่สองมันก็ไม่อร่อยละมันทุกภาวะมันตัดตนเองตลอดจานที่ผัดกะเพาผัดกะเพราก็คือเข้ามากระทบเห็นเห็นแต่ไม่ไหลไม่ไม่ไหลตามประเสธแต่พอเรารู้จริงว่ามันสมมุติหน้าที่ของจิตน่ะว่ามันมันรู้อันนี้สมมุติแล้วมันก็ไม่เอาแล้ะมันก็จะคลายตััวมนเองคือมันเหมือนจิตมันโตขึ้นเห็นของเล่นมันก็ไม่เอาล้วครับ แล้วความเบื่อหน่ายเนี่ยเรามันจะมันจะเบื่อไปเองโดยที่จิตแต่ถ้าเราเราสั่งการเนี่ยเหมือนว่าเราไปไปสั่งจิตไปไปสะกดจิตตัวเองครัว่าไม่ชอบให้ให้ให้มีอ่าเป็นนิสัยอย่างนี้ให้ติดในธรรมมันเหมือนว่าเราสั่งตัวเองว่าใช่<ด>ใช่<ด>ต้องเป็นคนดีนะต้องอะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันจะเหมือนว่ามีตัวสั่งการตลอดไอ้ผู้สั่งเนี่ยคือ ถึงแม้กายตายไปแต่ผู้สั่งยังไปพบชาติต่อไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นเรียกว่ามีผู้ปลูกเลือนไปตลอดครับแต่ถ้าถ้าพวกเราเห็นจริงๆเนี่ยเราไม่ไปซ้อนธรรมชาติแค่เห็นลักษณะหนึ่งจิตมันรู้ว่าสมมุติมันก็ไม่เอามันก็จะกระจายมันจะสลายไปเองตลอดโดยคิดว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรถ้าเราไปบังคับพกุกจะให้หายกัว มันไม่หายโกรธหรอเพราะเราจะไปคิดทบทวนไปปรุงแต่งไอคนนู้นคนคนี้คนคนจ้กลายไปโจทย์ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เรื่องเ ก, ก่าเก่าก็กลับมาเพราะสุกขณะความคิดเนี่ยมันเป็นครบชาติแล้วแค่คิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเอาของเก่าปัจจุบันจริงจรมีแท่ไม่ถึงวินานที เ, าเอาของเก่ามาคิดใหม่กลายเป็นปัจจุบันกรจำสั่งสวัดวงล้อมอเลยเกินขึ้นไงครับถ้าเราปุ๊บแค่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เอาปัจจุบันไม่เอาของเก่ามาคิดมันก็คือว่างแล้วเพราะมันไม่มีอะไรคิดแล้ว ภพชาติก็จะท่านลงครับแล้วก็มันจะสั้นลงทีนี้มันก็จะว่างเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปบังคับว่างหรือไม่ว่างคือมันมันจะว่างหรือไม่ว่างบุกมันจะเป็นกลไจของมันนะครับมันจะว่างเองได้ฟังเองได้ยางสมบูรณ์ยมคิดคุยคุยคุยเนี่ยยอมสักพักยมก็ต้องหยุดเองมันหยุดมันเองครับเราะสักพักเกาหยุดเองร้องไห้ก็หยุดเอง คือเราเมนี่ต้องเข้าไปสังเกตนะมันไม่ไม่ต้องเข้าสังเกตเพราะเดี๋ยวสังาขารมันก็หยุดเองแต่อาจจะช่วงแรกอาจจะดูว่าคนใจแต่ว่าไม่ควรที่จะถลำลึกเพราะว่าถ้าเราเข้าไปปุ๊บส่วนใหญ่เนี่ยเราไปดูแล้วสังเกตปุ๊บมันจะมีความหมายความหมายที่ส่งมาคือสังขารไปแล้วมีเราบุงแต่งไปแล้วว่าว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแค่แค่แตะดูปุ๊บมันก็ถ่ายออกแล้วเราว่า น้องนั้นจากจากรู้ปุ๊บ ก, ก็เป็นปรุงแต่งละครับพระอาจารย์จะฝึกมานาน ไ, ไมไม่นานนะครับพอดิแปดพรษาครับแต่ว<ะ>่าผมเ็นอาจารย์บระอาจารย์เก่งด้านสมาธิเลยอ่านิดหน่อย <c oughs> ครับช่วงช่วงแรกๆไปไปปฏิบัตินะครั บ, รบ <c oughs> แต่ก็ไปไปแทบทุกท่ายครับไปของโคเอนก้าไปของหลวงพ่อฤาษีไปปุ๊บแล้วก็หลพ่อีไป่อน ของหลพ่อเทียไม่ได้ไปครับแต่ไปของหลบผ้าอเยือนไปดูครับกินครับเรากินน้ําเย็นแล้วก็ท่นท่านก็เหมายว่าเออให้ให้ดูตัวรู้ตรงนี้ครับตกกลางอกตกกลางกที่อาจารยเคยทำมาตอนแรกใช่ครับตอนแรกนะครับได้จากหลวงพ่เหยือนแต่แต่พอปุ๊บปุ๊บเราก็รู้แล้วอาไม่ใช่แล้วเพราะไอ้ทั้งตรงเนี้ยเราเป็นผู้ดูสุดท้ายเป็นการ ไอ้ตวัวสังขารหมดเลย เ, เราไปเจตนจาแล้วก็เฝ้าดูแล้วก็เราปรุงแต่งเองหมดเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราสะกดจิตตัวเองอยู่เราไม่ได้ปล่อยพอปล่อยปุ๊บจิตมันระเบิดออกมันฟางเป็นตําบนเลยทีนี้เหมือนกับตัวเบาเราก็จะเข้าใจเออทีนี้ไอ้นี่ก็ยังไม่ใช่เพราะมอนก็ยังเป็นปรุงแต่งทีนี้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมายาไปเ ร, เรื่อยให้เราให้ใหลอกเราไปเรื่อยๆจน จนสุดท้ายเราเหมือนว่าไม่เอาอะไรแล้วโอ้ยคือเหมือนว่าไม่เชื่ออะไรเล้วจนมันก็มันก็เลยรู้ว่าอ้อนมัแค่นั้นเองครับตรงข้อเยินท่านเน้นสองสอนอะไรเป็นเป็นทั้งเป็นของหลวงพูดุล น, นะครับท่านจะเป็นครับแตจ่จะเน้นตัวรู้ว่าครับเน้นครับเคยฟังอยู่คลิปขอเรียนว่าเอาสติครับมาทํางานกับความว่านอาจารได้ดนะีมาครับแต่ ช่วที่ฝึกคือแค่ไปรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ทาสอนทุกทุกท่านเลยลืมบมแล้วพะต้องวางรู้อ่ะตัดสรู้คือเหมือนว่าต้องวางทุกสิ่งที่เราไปรู้เพราะถ้าอย่างยิงเยึดสิ่งที่ ร, รู้รู้ปุ๊บมันจะเป็นอุปทานทันทีถึงรู้ถูกมันก็จะเป็นอุปทานรู้ผิด ก, ก็ยังเป็นอุปทานแต่ถ้ารู้แล้วเ ร, เ, รเราไม่สักว่ารู้ก็คือไม่ใช่ที่รู้และไม่รู้มันต้องต้อ ง, ต, องต้องผ่านทั้งสองสิ่งเนี้ยคือท่ามกลางระหว่างสองสิ่งนี้ปุ๊บมันก็จะ สักว่ารู้ถ้ายึดสิ่งใหญ่ก็ยังถือว่ามันเป็นอุบทานอย่างล็อกไปตรงนั้นเรายังยังมีอุบทานล็อกว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกหรือผิดมันยังเป็นทำคู่หมดต้องออกจากทำคู่ปุ๊บก็เป็นอุบทาทญ์ไทยไทยอุบทานตลอดทั้งวันเนี่ยก็คือเห็นปุ๊บเราไม่ใช่ความหมายแล้วก็ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงไม่ฟันธงไทยไม่ คือล้างอุประทานทั้งวันแต่เดิมเราเคยจะใส่อุปทานว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดใช่ไม่ใช่อันนี้กายเราจิตเราสติเรามันก็ย้ําแต่เราครับสุขครับอ๋อครับสากุครับครั บ, ร บ, ร บ, รบนี่ของพ่อครับกับของผมอ๋ อ, อ, อครับอ๋อสากูกครับโยงนังนะครับครับ ครั บ, บแล้วแต่ใช้ได้ลองลองเสียบดูก่อนนะครั บ, รบเพราะว่ามันจะเป็นเมาส์เมาส์ตีครับผมดูจากสเคเพราะว่ารุ่นนี้ไม่เกถีารนี้ครับ